พระบัญญัติ528ก็เครื่องหัดชายหรือเครื่องหัดหญิงผู้ไม่ใช่ญาติตรัเตรียมรั์เป็นค่าจีวรเจะจงภิกษุว่าเราจะซื้อจีวรด้วยรัย์เป็นค่าจีวร น, นี้แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นซึ่งเขาไม่ได้ปรณามไว้ก่อนเข้าไปกำหนดชนิดจีวรในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้เพราะต้องการจีวรดีว่าดีละ ท่านจงซื้อจีวรเช่นนั้นเช่นนี้ด้วยทรั์เป็นค่าจีวนี้แล้วให้ตมาครองเถิดต้องอบัตนิสักิยปาจิตตีเรื่องพระอุปนันท h สากะยะบุตรจบ